บัรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อไปดูปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐ า, านของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยะแห่งธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสุดที่ได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นเพิ่งสังเกตว่าในตอนต้นของแต่ละบท จะทรงใช้คำว่าตามเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตจนถึงก็เห็นธรรมในธรรมซึ่งอาจจะตามดูหรือตามเห็นก็ตามเป็นการสอนให้อุคครพยายามศึกษาหาความจริงที่จะใช้คบว่าความจริงที่แท้จริงหรือความจริงตามความเป็นจริง ของสิ่งเหล่านั้นและปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องแก่ฐานะขององค์ธรรมเหล่านั้นในกลุ่มข้อกายนั้นเป็นส่วนผลตัวเขาเองเป็นอัปยากะตะธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวงเขาเองแล้เขาเป็นสภาวะธรรมจึงตกอยู่ในเงื่อนไขของธรรมชาติ กือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปแต่ที่เป็นปัญหามากก็คือว่ารัางกายนั้นเป็นที่ตั้งของความกับหนักความเพลิดเพลินความยินดีความยุติดเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเป็นที่เกิดแห่งปัญหานาน า, นาประการซึ่งที่เกิดของปัญหานั้นอาศัยความรู้สึก เป็นตนหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนเพราะฉะในกรณีของกายก็คือกายกับสิ่งที่เนื่องด้วยกายและกายนั้นจะต้องเป็นกายของเราหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายเราจึงจะเกิดเป็นความรู้สึกในลักษณะต่างๆนังที่กล่าวแล้วว่าที่จริงเป็นเป็นทางดีก็ได้เป็นทางเสื่อมก็ได้เพราะว่ากายนั้นเป็นตัวกลาง ส่วนเวทนานั้นก็เป็นปรากฏการณ์แบบธรรมชาติอีกประการหนึ่งซึ่งเกิดสืบเนื่องมาจากประสาทสัมผัสมีตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริ้มรสกายถูกต้องย็รดร้อนอ่อนแข็งแล้วเก็บไว้ภายในใจงานเข้าใจก็จะทำหน้าที่เก็บหน้าที่รู้หน้าที่เก็บหน้าที่คิด และหน้าที่รู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นแต่เนื่องจากบุคคลมีประสบะการณ์ทางประสาทสัมผัสไม่ทัดเทียมกันประสบการณ์ในอดีตที่เป็นบา ร, รมีธรรมก็มีความแตกต่างกันเพราะความรู้แจ้งในเรื่องเหล่านั้นจึงไม่อาจที่จะเหมือนกันได้แม้แต่ขึ้นไปถึงระดับพระยะ บ, บุคคลแล้วก็ไม่อาจที่จะเหมือนกัน เวทนานั้นจึงเป็นเพียงปรากฏการณ์ประการหนึ่งในบรรดาปรากฏการณ์ทั้งหลายที่สืบเลื่องมาจากกายและจิตตัวเวทนานั้นเป็นอาการของจิตจึงทมหน้าที่สวยอารมณ์แต่การที่จะสวยอารมณ์ก็มีความต่อเนื่องถ้าระแบ่งเป็นขั้นตอนทางประสาทสัมผัสแล้วจะพบว่าในขั้นตอนแรกที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นนั้น บุคคลจะเริ่มที่อวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่ารูปอะไรไม่รู้ว่าเสียงอะไรไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรไม่รู้ว่ารสอะไรไม่รู้ว่าสัมผัสอะไรในการต่อมาก็จะเกิดความรู้ถึงคุณค่าและโทษของสิ่งเด็ดนันหรือความดีด้วยความไม่ดีของสิ่งเด็ดดันใจของบุคคลก็จะจำสถานะของสิ่งเด่ดดันเอาไว้ เราจะคิดถึงสิ่งเหล่านั้นตามความรู้สึกที่ใจได้กำหนดไว้แต่กำหนดไว้ในฐานะนาใคร่ในปรารถนาะน้าพอใจจิตก็คิดถึงด้วยความสุขหรืออะไรโหยหาตามสมควรแก่กรณีแต่สุสรุปว่าเกี่ยวเนื่องมาจากความรักใคร่พอใจยิตดีในสิ่งเหล่านั้นแต่ใจไปเก็บไว้ในทางที่ไม่น่าปรารถนาะ เรจะนึกถึงด้วยความไม่สบายใจความไม่พอใจแต่ถ้าหากก็พบกับสิ่งเหล่านั้นเป็นครั้งต่ อ, ตอมาเราก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งให้สังเกตว่าความรู้สึกครั้งแรกเป็นเพียงอย่างเดียวเกือววิชาตนั้นกเราไม่รู้แต่เมื่อเริ่มความรู้แล้วแยกแยะได้แล้วแต่ความไม่รู้ในตอนแรกนั้นกว่าจะเป็นความรู้ในชั้นแยกแยะ เราก็จริงปรากฏว่าสิ่งนั้นได้สร้างปัญหาให้แก่เราเปน็นอันมากแต่สมมติว่าเด็กในสมัยเด็กๆยังไม่รู้ไฟร้อนคือกว่าจะเข้าใจตามความเป็นจริงว่าไฟร้อนแล้วก็เป็นอันตรายสามารถสร้างบาดแผลสร้างทุกข์ทรมานเกิดขึ้นกก่ตนได้นั้นก็ผ่านาามไฟลวกไฟไหม้มาหลายครั้งหลายกดด้วยกันแสดงว่าความรู้ที่เกิดขึ้นในตอนต้นๆของเด็กนั้นไม่สามารถที่จะ คุ้มครองตัวเองได้อเกิดงดเว้นการเล่นไฟและระมัดระวังเวลาเกี่ยวข้องกับไฟได้แสดงเห็นถึงปัญญาที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในจุดคุ้มครองตัวเองได้แตงเท้าก็เพิ่มความรู้ขึ้นไปโดยลำดับถึงลักษณะของอวิชชาที่แปรจากความไม่รู้มากลายเป็นความรู้นั้นที่จริงก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วกว่าจะถึงการวินิจฉัยได้เด็ดขาด ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรมีคุณมีโทษอย่างไรนั้นจะต้องเพิ่มประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้อยู่มากเพราะในช่วงต่ตอมาแม้แต่สิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสแล้วคือได้เห็นด้วยตาแล้วได้ยินด้วยหูแล้วได้สูดดมด้วยจมูกแล้วได้ถูกต้องได้ลี้มด้วยดินแล้วได้ถูกต้องโดยกายแล้วแต่ไม่มากพอที่จะวินิจฉัยทําให้การพบเห็นเป็นต้นของบุคคลในช่วงต่อมา จ ะ, สะแสดงอาการออกมาสามอย่างอย่างแรกก็คือรู้จักรู้อะไรเป็นอะไรอย่างที่สองก็คือไม่แน่ใจคลาบครา ค, ครับคราบอย่างที่สามก็คงไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างหลายในโลกนั้นไม่มีใครจะรู้ไปทั้งหมดเพราะฉนั้นอวิชชาจะต้องแทรกอยู่ทุกขณะทุกเรื่องแม้แต่ใน สิ่งเดียวกันระดับหนึ่งาอาจจะเป็นวิชาอีกระดับหนึ่งมัยังมีอวิชาอยู่คือความไม่รู้จบทีนี้จากความรู้จักไม่รู้จักเหล่านั้นใจเราเคยเก็บเราเคยกําหนดไว้อย่างไรถ้ากําหนดไว้ว่าเป็นสิ่งที่น่าใคราน่าปรารถนาน้าพอใจสิ่งที่เรารู้จักเราก็เกิดความชื่นชมยินดีที่ได้พบเห็นกันอีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆครั้งแต่สิ่งที่เราไม่ชอบใจก็เกิดความไม่พอใจ ส่วนที่คลัค่ยคลายคลาบนั้นยังไม่ถึงกับการโปร่งใจเพราะฉะนั้นไมอาจที่จะเกิดได้ทั้งความพอใจและความไม่พอใจแต่จะเกิดเป็นโมหะอ่อนๆที่เราเรียกวิจิกิจฉาหรือความเครียดแคร่งสงสัยคิดมากไปก็ออกมาเป็นอุทจจะคือพุ่งสัน้นคิดมากอย่ากหาไม่ออกก็อาจจะรําคาญออกไปในลักษณะต่างๆก็สรุปไปอยู่ในกลุ่มของพวกนิวรณยังไม่สามารถปรากฏเป็นอาการของเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ที่ชัดเจน แต่ส่วนที่ตัวเราไม่รู้นั้นก็คงจะเป็นเรื่องเฉยๆไปด้นตัวที่เรารู้มันก็เพิ่มขึ้นด้ื่อยๆเพราะท่านสาธุชนทั้งหลายสามารถที่จะดูที่ใจเราเองว่าจะสมัยเป็นเด็กๆมาจนถึงขณะ น, นี้สิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราในแต่ละขณะนั้นได้เพิ่มสุขเพิ่มทุกข์ เพิ่มความยินดีเพิ่มความยินร้ายเพิ่มสุขเพิ่มทุกข์ให้แก่เรามากขึ้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่การกําหนดอารมณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเก็บอารมณ์เหล่านั้นไว้ภายในใจเรื่อยๆแล้ความรู้สึกต่ออารมณ์เหล่านั้นก็เก็บสะสมไว้พอมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกเราเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายก็เกิดเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นกลางอ ดังนั้นเวทนาจึงเป็นปรากฏการ์คือเป็นอาการเป็นขันอย่างหนึ่งคือเป็นกลุ่มของธรรมะอย่างหนึ่งตัวการใหญ่ที่ออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ที่จริงแล้วมันก็สืบเนื่องจากการกําหนดของเราเพราะอะไรเพราะว่าในสถานการณ์อย่างหนึ่งหรือในอารมณ์อย่างหนึ่งคนมองดูด้วยกันแต่อาจจะมีความรู้สึกแตกต่างกันแม้จะรู้จักด้วยกันก็ตาม คนบางคนอาจจะรู้สึกพอใจก็เกิดสุขเวทนาบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจก็เกิดทุกขเวทนาคนบางคนอาจจะรู้จักแต่ก็ไม่ได้กําหนดอะไรเอาไว้ชัดเจนไม่กําหนดไว้ด้วยความรักความชังอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมืพเพ่พบเห็นอีกมันก็เป็นทุกขกมสุขเวทนาหรือเป็นความรู้สึกเฉยเฉยหรือรกลางๆแต่ในเวทนาเหล่านั้นแหละบางคนก็อาจจะหาประโยชน์ได้ทั้งสเวทนา สุขก็ตามทุกข์ก็ตามหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามท่านจะมองเห็นว่าเวทนาเหล่านั้นเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นกระบวนการเป็นปฏิกริยาทางกายทางรูปธรรมและน า, น า, นานมธรรมที่ทําฏิทำปฏิกริยาต่อกันเท่านั้นเองในยามใดที่เราประสบสุขในยามนั้นก็มีผิดทุกขในยามใดที่มีทุกในยามนั้นก็ไม่มีสุข ยามใดที่เป็นกลางๆในยามนั้นสุขทุกข์ก็ไม่ปรากฏเด่นชัดขึ้นแล้วก็จริงตัวเวทนาเรานั้นแก่ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแนวสูงขึ้นบ้างแนวน็ลดลงบ้างจนสุขมากขึ้นหรือสุขน้อยน้อยลงหรือทุกข์มากขึ้นหรือทุกข์น้อยลงหรือว่าเฉยๆมากขึ้นหรือเฉยๆน้อยลงจิตใจมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เราก็จะทำให้เห็นว่าเวทนาเอาก็จริงมันก็ไม่รู้จะยึดถืออะไรมันประมาณก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะอาการไขว้คว้าของจิตที่ย้อนก็สู่เวทนาในอนดีตก็จะผ่อนคลายลงเราเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเวทนาในอดีตมันก็เหมือนกันแหละกับเวทนาที่ปรากฏในขณะนี้ แท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปแล้วในอนดีตแต่ถ้าหากจะย้อนกลับถึงเวทนาในอนดีตจะย้อนกลับมาในรูปของอนุสติคือตามระลึกหรือหวระลึกเพื่อศึกษาเพื่อพิจารณาในฐานะที่เป็นครูเป็นแรงผลักดันกระตุ้นเตือนให้บุคคลงดเว้นและประพฤติปฏิบัติเพื่อสร้างเหตุแห่งเวทนาที่ตนชอบใจ คุณจะสังเกตได้ว่าคำสอนในชั้นต่างๆที่ทรงแสดงกัาไว้เจนสอนเรื่องทุกข์ในอบายทั้งหลายสอนเรื่องสุขในสวรรค์สอนเรื่องสุขในพรหมโลกสอนเรื่องสุขในนิพพานที่ท่านในอดีตได้สัมผัสมาแล้วโดยการยกตัวอย่างพระยะบุคคลยกตัวอย่างคนที่ทำบาปทำกรรมทำบุญทำกุศลเป็นเพียรสมาธิเป็ น, ป น, ป น, ปนต้นนั้น บันทิตาเน้นไปที่ตัวสุขตัวทุกข์ซึ่งเป็นอาการของเวทนาเพื่ออะไรเพื่อให้บุคคลได้ศึกษาพิจิตพิจารณาว่าเวทนาเหล่านั้นมันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดังกล่าวถ้าหากาเราไม่ต้องการเวทนาบางอย่างเราก็จะสร้างเหตุเพื่อเกิดเวทนาเหล่านั้นเวทนาเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่วเวทนาบางอย่างไปที่ นักไคร่หน้าปรารถนาหนาพอใจเป็นสุขเวทนาในมนุษย์ก็หยาบกว่าสุขเวทนาในสวรรค์สุขเวทนาในสวรรค์มันก็หยาบกว่าสุขเวทนาในพรหมโลกสุขเวทนาในพรหมโลกมันก็หยาบกว่าสุขเวทนาในระดับพระยบุคคลและในร ะ, ระดับระดพระยบุคคลนั้นก็มีสุขที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสุขของพระอาจารย์แล้วก็จริงเวทนามันก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงนั้น จะทำให้บุคคลไม่ไปยึดไม่ไปติดอยู่ในเวทนาแม้กําลังคอยคว้าหาเวทนาอยู่ก็ยังมีเวทนาที่ประนีตกว่านั้นที่คนอื่นก็ได้สัมผัสเรายังไม่ได้สัมผัสก็พยายามศึกษาประพฤติปฏิบัติเพื่อสัมผัสเวทนาที่ประณีตมากยิ่งขึ้นแต่ทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นก็จะมองในแนวของการงดเว้นในการละเว้นไม่สร้างเหตุให้เกิดความทุกข์ในลักษณะนั้นขึ้นมา ในกรณีนี้บางครั้งพระพเจ้าทรงแสดงโดยสรุปง่ายๆต่อการทําความเข้าใจว่าละเหตุแห่งทุกข์ได้จะเป็นสุขในชีวิตทั้งปวงเคยบุคคลวิเคราะห์ตรวจสอบมองเขตแห่งความทุกข์เพราความทุกข์นั้นทีจริงมันเป็นผลเราก็มองดูด้วยว่าเหตุที่มาเกิดมาจากอะไรความทุกข์อาจจะปรากฏแก่น ใ, นใครที่ไหนยอย่างไรหรือแก่เราก็ได้หรือแก่เราในอดีตก็ได้ก็ศึกษามาแนวเป็นครูเพื่อ ง, งดเว้นไม่ สร้างเหตในลักษณะนั้นอีกต่อไปคล้ายๆกับคนที่เคยถูกมีดบาดหรือถูกไฟไหม้ก็นึกย้อนไปในสมัยอดีตเอาบทเรียนจากเหตุที่ถูกมีดบาดหรือถูกไฟไหม้ที่หกล้มเป็นต้นมาเป็นครูของตัวเองแล้วพยายามระมัดระวังเวลาจะเดินจะเหินจะเกี่ยวข้องกับไฟจะเกี่ยวข้องกับศัตราวุธทั้งหลายเพื่อจะไม่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอีกในโอกาสต่อไป ด้า น, นเราก็เรียนจากเวทนาในอดีตแต่ไม่ให้ยึดติดอยู่ในเวทนาในอดีตเราศึกษาเพื่อเป็นครูไม่ใช่ศึกษาเพื่อยึดติดพราะถ้ายึดติดมันก็ติดอยู่ตรงนั้นเองเราจะไปไม่ได้ก็เหมือนกับความติดในสุขในระดับต่างๆที่เกิดเป็นความหลงสุขในมนุษย์สุขในสวรรค์สุขในพรหมโลกหรือสุขใน พรมชั้นที่ประณีขึ้นไปอาศัยมรรคผลเป็นต้นแต่ว่าท่านเหล่านั้นไม่มีปัญหาเอาเฉพาะช่วงล่างซึ่งเราจะเห็นว่าบางทางนั้นบำเพ็ญเพียรเพื่อเกิดในสวรรค์ต่อไปอย่างเช่นเคยเล่าเรื่องในสกปรณสูตรที่เท้าสกตะเทวราติติสุขในสวรรค์ติดสุขในสถานะของความเป็นท้าสกตะเทวราชเพราะทราบว่าตัวเองจะต้องจุติจักสวรรค์ก็เสียดายความสุขเหล่านั้น มราเมกเฝ้าเราผู้มีพระภาคเจ้าฟังธรรมจนบมรลุมรผลเป็นพระรยาบุคคลระดับโสดาบันแล้วท่านก็จุติเราก็เกิดเป็นเท้าส ก, กะโดยฉันทะหรือความพอใจที่มีอยู่ภายในใจของท่านก็เป็นเและท่านเกิดในสุคติโดยท่านลืมไหมว่าที่จริงแล้วมันเป็นสุขเล็กน้อยเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับสุขที่ประดิษฐ์ขึ้นไปยิ่งกว่านั้นเพราะสวรรค์ของท่านก็เป็นสวรรค์ระดับสอง จะมีสวรรค์อีกเป็นนันมากที่ประนีขึ้นไปกว่านั้นและในสวรรค์ก็มีพรหมโลกอีกเป็นอันมากที่ประนีขึ้นไปโดยลําดับแล้วในพรหมโลกอีกมันก็มีนิพพานซึ่งประนีขึ้นไปโดยลํำดับอีกเช่นกันจนถึงนิพพานที่สมบูรณ์ของพระอระหันต์ทั้งหลายเพราะเมื่อบุคคลจะมองเวทนาในแนวนี้เห็นว่าเวทนามันก็กลายเป็นบทเรียนเขียนเวทนาในเวทนาตามความเป็นจริงเวแบบทนาที่ปรากฏในขณะนั้นแหละ ไปเห็นตามความเป็นจริงว่ายังมีเวทนาที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เจนในเรายามที่เราประสบความทุกข์ทรมานอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่ซ้าเติมตัวเองว่าเรานี่อาการหนักที่สุดทุกข์ที่สุดเดือดร้อนที่สุดทรมานที่สุดมันไม่มีใครที่สุดเพราะยังมีที่สุดมากขึ้นไปยิ่งกว่านั้ น, นแม้ต่ทุกข์ในนรกมันก็ทุกข์ในเวทีมานรก ก็เป็นทุกข์ซึ่งถือว่าที่สุดแล้วแต่ที่จริงก็ยังมีในอเวจีพานรกก็ยังมีทุกข์ที่เดือดร้อนสาหัสกว่านั้นอีกตกลงว่าไม่มีใครทุกข์ที่สุดก็ทํานองเดียวกัคล้ายกับบุคคลที่สร้างสิ่งที่สุดในโลกท่พานยาวที่สุดในโลกเจดีสูงที่สุดในโลกพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกที่จริงไม่มีเพราะว่าที่สุดในโลกนั้นยังไม่เกิดแล้วก็มีการลบสติติกันอยู่เรื่อย อันเราก็มองทุกเวทนาในแนวนี้ก็จะเกิดไม่ซ้ำเติมตัวเองไม่หมดอะไรตายยากในชีวิตแล้วก็พยายามหาประโยชน์จากเวทนาที่เราปรากําลังประสบอยู่แล้วก็ดิ้นรนขวนขวายที่จะหนีเวทนาเหล่านั้นพอในสุ ข, ขเวทนาสอนแล้วก็ไม่ไปยึดติดเหมือนกันคือไม่มีใครสุกอยากแท้จริงนอกจากนิพพานนสุข ก็จะทําทให้บุคคลพยายามขวนขวายจะสัมผัสความสุขที่ให้ประนีตขึ้นไปกว่านั้นยิ่งขึ้นไปกว่านั้นธรรมาเทศนาส่วนใหญ่จึงมุ่งที่จะดึงจิตคนขึ้นสูงไปไเรื่อยๆเท่าที่เขาสามารถจะก้าวขึ้นไปได้พอกอัตยาศัยเสริมสร้างปัญญาให้เกิดการพินิจพิจารณาแยกแยะเพื่อให้เข้าถึงความจริงแี่แท้จริง จะไม่หลงติดไม่หลงเพลิดเผลินโดยอำนาจของตาหาบ้างมานบ้างทิฐิบ้างก้นนี้ท่านสาวุจจุั้งหลายลองสังเกตว่าอาการของกิเลสที่เกิดเกิดเพราะตัวหลงในเวทนาบ้างนะที่จริงมันก็เกี่ยวเนื่องกับเวทนาจนเราได้รับความสุขเพราะมีสรัพย์ แล้วเกิดมานะขึ้นมาว่าเราเป็นผู้รวยเราเป็นผู้มีฐานะมั่งคั่งกว่าคนอื่นแล้วก็ดูถูกดูกดินบุคคลเด่นที่จริงเมื่อเทียบเคียงกันแล้วปรากฏว่ามันจะมีคนรวยยิ่งกว่าเรามากมายได้วยกนนในคนรวยที่มากมายเหล่านั้นก็ยังมีคนรวยมากมายกว่าแต่ในความรวยมากมายเหล่านั้นที่จริงมันยังมีทรัพย์ที่ประเสริฐกว่านั้นเึ่นทรัพย์เหล่านั้นนก็สาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลาย อาจจะถูกไฟไหม้อาจจะถูกน้ำหลากอาจจะถูกศัตรูทั้งหลายยื้อแย่งไปทำลายไปหรือไม่มีอะไรเลยแต่เราก็ต้องทิ้งเข้าไปในขณะที่เราต้องจากโลกนี้ไปเพราะในสายราบตันเดงพระเจ้า ก, ก็ะทรงแสดงเห็นว่ายังมีทรัพย์ที่มาติดตัวได้อยู่แล้วก็รวยจริงๆนั้นก็คืออริยทรัพย์ และในความเป็นอริยทรัพย์นั้นก็ยังมีความประณีตที่สูงขึ้นไปกว่านั้นนั่นคือมรรคผลที่สมบัติเป็นสมบัติเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันที่เกิดขึ้นจากความเข้มข้นของอริยทรัพย์นั่นเองแต่ถึงจุดที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งจะทําหบุคคลเหล่านั้นสัมผัสอริยผลเนได้ท่านกล่าวถึงท่านสุปาพุทธกุตชีที่มีฐานะยากจนเป็นโรคเรือนจวขอทานเา้า ประมาณในที่สุดท่านได้ฟังธรรมะในพุทธสํานักและบรรลุโสดาปติพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าคนอย่างนี้ไม่ใช่คนยากจนแต่คนเป็นคนรวยเป็นคนสมบูรณ์ด้วยอริยคุณจึงเป็นคนที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงพระทรรมสมบัติภายนอกนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงได้เพราะนนั้แต่ละอย่างเมื่อบุคคลได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงหรือรู้เห็นตามความเป็นจริงในส่วนของทุกขเวทนา ก็จะใช้ประโยชน์จากทุกขเวทนาเราด้านไดเพราะคนเราเวลาประสบความทุกนั้นเราจะดิ้นเพื่อจะหนีความทุกแต่จะไขว่คว้าความสุขที่แน่ใจว่าปลอดภัยให้เราสังเกตเช่นเราตกลงไปในหลุมในบ่ออะไรเราจะดิ้นเพื่อขึ้นจากหลุมจากบ่อเหล่านั้นแต่เมื่อขึ้นมาจากหลุมจากบ่อแล้วเราไม่ยืนอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะยังไม่รู้สึกว่าปลอดภัย มันก็ต้องหนีไปจากสถานที่นั้นไปอยู่ในสถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยหรือมั่นใจว่าปลอดภัยกระบวนการที่หนีความทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความทุกข์จึงกลายเป็นบทเรียนที่จะแนะนําสั่งสอ น, สอนบุคคลผลักดันบุคคลให้การตือรือร้นเพื่อพยายามหนีความทุกข์เหล่านั้นแม้บางครั้งเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นเกิดขึ้นกับสัตว์อื่นเกิดขึ้นกัวัตถุสิ่งของ หรืเกิดขึ้นแก่ตนเองหรือญาติพี่น้องของตอนเองแม้แต่เกิดขึ้นแก่คนที่เป็นศัตรูของเราเองถ้าคนมีปัญญาก็สามารถหาประโยชน์ได้แต่ลองสังเกตว่าม เ, เ, เป็นการท้าทายเป็นการพิสูจน์สติปัญญาของคนเหมือนกันเพราะในขณะที่ทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นแก่คนเป็นศัตรูของเรานั้นตามปกติท่ากิเลสออย่างยากอยู่มันจะดีใจ จะเกิดดีใจที่ความพิบัติเกิดขึ้นแก่บุคคลเราดัา น, นหรือถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นแก่ญาติมิตรของเราจะเกิดเสียใจแต่ถ้าระดับสติปัญญาของบุคคลสูงขึ้นจะหาประโยชน์ได้ทั้งนั้นทั้งสองฝ่ายคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่คนนั้นเป็นที่รักของเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยใครก็ตามเมื่อสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้มันก็ต้องรับผลอย่างนี้แหละ นั่นก็คือความชอบทำความเป็นธรรมเป็นกระบวนการของกรรมซึ่งถ้าเราทำอย่างนั้นก็จะเกิดขึ้นแกเราเหมือนกันพอไปเห็นทุกยที่เกิดขึ้นแก่ศัตรูก็จะมองในลักษณะนั้นวันนี้ก็คือกระบวนการของเหตุผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของบุคคลเราั้นเด็กแล่ถ้าเราทำอย่างนั้นบ้างเราก็คงเป็นอย่างเขา เราะาอาศัยเขาเป็นบทเรียนไม่ประพฤติไม่กระทำคือแทนที่จะซ้ําเติมเขาพยายามประสบความทุกข์หรือว่าเสียใจในคนใ น, ในกรณีที่ญาติมิตรประสบความความความทุกข์เราก็ได้ประโยชน์จากความทุกข์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือแม้ในตัวสุขเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะมองในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผลจนกรณี้ท่านสาวท่นจท่านหลายคงนึกออกว่า การมองในแนวนี้เป็นการมองในระดับทั่วๆัวไปก็คือมองแบบอุเบกขาแน่นเด็กเบกขาก็คือปัญญาเป็นตัวเพ่งพินิษดูถึงอาการที่ปรากฏในขณะนั้นๆแล้วก็รู้เห็นตามความเป็นจริงใจจะไม่เบี่ยงไปสู่ความยินดีหรือความยินร้ายในยามที่คนอื่นประสบความทุกข์จนถึงกับบางขณะถ้าสติปัญญาเรามากพอแม้ในยามที่คนอื่นประสบความสุข เพราะอะไรเพราะความเบี่ยงเบนของจิตใจที่ถูกปรุงด้วยกิเลสนั้นเวลาศัตรูเราประสบสุขเวทนาเราจะเกิดทิษยาเวลาญาติมิตรของเราประสบสุขเวทนาเราจะเกิดปิติประโมทหรือขอมีส่วนร่วมในสุขเวทนาเหล่านั้นซึ่งอาจจะเกิดเป็นโทสะก็ได้ถ้าเพื่อนไม่ยอมให้ร่วมอาจจะออกมาเป็นโทสะอีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าเพื่อนไม่ยอมให้ร่วมแต่ถ้าว่าจิตใจของบุคคล แต่เข้าถึงความจริงอย่างน้อยในระดับที่เป็นอุเบกขาได้ก็จะมองเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งเป็นที่รักและเป็นที่สั่งของเราโดยมองเห็นเป็นกระบวนการของกรรมไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุกตามองเห็นเป็นกระบวนการของกรรมที่เกิดขึ้นแก่ใครก็ได้และแม้แต่เราเองก็จะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าก็ไปประพฤติประรมในลักษณะนั้น เพราะในการแผ่พรหมิหารหรือการเจริญเมตเมตาพรมิหารพรมิหารละพรณาคือการแผ่พ ร, รมิหารแผ่ธรรใจแบบพรหมิหารนั้นในข้อสุดท้ายที่ทรงสอนให้พิจารณาว่ากรรมสาก้ากรรมดาญดากรรมโยนนี้เป็นต้นจึงแปลเป็นใจความว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน จะต้องเป็นผู้รับผลของกรมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็น เ, นเนผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลกับนั้นซึ่งหมายความว่าในขณะนั้นมันเกิดจากการมองดูทุกขเวทนาที่บังเกิดขึ้นแก่คนอันเป็นทิรักก็ได้คนอันเป็นที่ชังของเราก็ได้ซึ่งตามปกติแล้วจะเกิดเวทนาที่แตกต่างกันถ้าคนที่เราไม่ชอบเกิดทุกขเวทนา เราจะเกิดสุขเวทนาถ้าคนที่เราชอบเกิดทุกขเวทนาเราจะเกิดทุกขเวทนาด้วยแต่ก็มันไม่ได้อะไรคิดมาพระเจ้าก็ทรงสอนให้ทำใจด้วยอุเบกขาคือปัญญาในแง่ของกรรมไม่เกิดความยินดีและความยินร้ายในยามที่ประสบความพิบัติของคนนั้นเป็นที่รักและอันเป็นที่ชังของเรา แต่ขณะเดียวกันก็อาศัยบทเรียนที่คนเหล่านั้นทําให้ดูเป็นตัวอย่างคือประสบความทุกข์ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ศึกษาถึงมูลเหตุที่เป็นเหตุให้เขาประสบความทุกข์ก็โครงสร้างเดียวกับการศึกษาเรื่องเปรตเรื่องสัตว์นรกเรื่องสัตว์ดิเรกาันที่พระเจ้าทรงแสดงถางสอนออกไปเตียมแต่เป็นการศึกษาจากตัวคนคือการที่ประากฏแก่บุคคลดนั้นเองถ้าเป็นองค์ธรรมก็กคือศึกษาแนวของ บาปของอกุศลที่อํานวยผลให้เกิดขึ้นเป็นความทุกข์แก่บุคคลเหลนั้นแต่นที่จะเกิดยินดีเมื่อญาติของเราประสบเมื่อศัตูของเราประสบความทุกข์เรายินร้ายเมื่อญาติของเราประสบความสุขเมื่อญาติของเราประสบความทุกข์เราก็ทําใจเป็นอุเบกขาคือกลางๆได้เรียกว่าเป็นใจมัธยาจอยู่ในท่ามกลางแล้วฝึกปลือจนจิตใจมีความเข้มแ ข, ข็งขึ้นมาได้เรื่อยๆ มันก็กลายเป็นตำรวจบาลีตั้าติคำว่าฉลังกุเบคากุเบคาที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหกอาการในขณะที่ตาเห็นรูปก็ดีหวฟังเสียงก็ดีจมูกรมกลิ่นก็ดี ล, ล, ดลิ้นนิ้มรถก็ดีกายถูกต้องย็นนันอนแข็งก็ดีหรือใจตรึกนึกถึงอารมณ์ก็ดีทำใจให้สงบอยู่ด้วยปัญญาเป็นเครื่องพินิ์พิจารณาตามความเป็นจริง ไม่จิตเบี่ยงเบนออกไปไปสู่ความยิน ด, ดีหรือความยินรายเพราะตัวความยินดีหรือความยินรายนั้นเป็นการหาเรื่องเพิ่มขึ้นให้แก่เราเองเพราะทีจริงคนทั้งหลายนั้นเขาเป็นไปตามกรวนการกรรมของเขากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับไปผู้มีปัญญาจึงใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนแลว้วควบคุมจิตใจตัวเองแล้วหาประโยชน์จากเรื่องดนั้น เพื่งดดเว้นทางเสื่อมมาดําเนินในทางเจริญตามลําดับขั้นตอนเหลอกนั้นซึ่งทั้งนี้ตอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับกําลังปัญญาหรือวิชาที่บุคคลมีอยู่จนมีความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงได้ลึกซึ้งขนาดไหนและจะหาประโยชน์ได้ตามสมควรแก่ระดับภูมิธรรมสติปัญญาของบุคคลดอกนั้นในกรณีดันั้นต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป